เอายอมตั้งใจฟังกันนะเรามาถึงกรุงสาวัตถีแห่งแฟนโกศนแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลเมืองสาวัตถีตั้งอยู่ในแฟนโกศนพระเจ้าเป็นดินที่ปกครองก็คือพระเจ้าประสินทิโกศนพระสู่ที่พระบรมศ า, าสดาทรงเทศนาโปรดพระเจ้าประสินทิโกศนก็มีนะเดี๋ยวในรายละเอียดก็ต้องไปว่ากันในชั้นของคําสอน พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลนี่มีมีอายุเนี่ยเท่ากับพระบรมศาสดาแล้วก็พระเจ้าเประเสซนที่โกศลนี่สวรรคตก่อนพระศาสดานิดหน่อยแล้วมีความรักในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากมกศรัทธาในพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์เยอะมากคือพระเจ้าเประเสซนที่โกศล เดี๋ยวในรายละเอียดก็จะไปเล่าว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลถ้ามีเวลานะว่าท่านมีความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรขนาดท่านเป็นพระเจ้าว์เป็นดินนี่นีปกติในลูกน้องก็ต้องเคารพพระราชาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลูกน้องของท่านเนี่ยเคารพพระศาสดามากกว่าตนเองขนาดแม้เวลาจะนอนเนี่ยก็เอาเท้าไปทางพระเจ้าว์เป็นดินได้แต่ไม่กล้าเอาเท้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นโอ้น่าชื่นใจจริงๆว่าภาษาสดาเนี่ยว่างันเนี่นเป็นที่ศรัทธาเป็นที่รักเป็นที่เคารพของภิกษุภิกษุณีบาส ก, ากา์หรือบาสิกาเหลือเกินเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่เราเคารพภาษาสดาแล้วก็เคารอพด้วยใจจริงๆไม่ได้เคารพแบบเสแสร้งใดๆเลยเนี่ยแเคารพด้วยเสียงกล้าวด้วยเคารอพด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งด้วยฉะนั้นการเคารอพเนี่ย การเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเคารพที่มีการนอบน้อมมีการเคารพเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดมากเราจะแข็งแข็งกระด้างกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเยอะคำว่าแข็งในที่นั้นก็คือปฏิบัติผิดต่อพระธรรมคําสอนของพระาศาสดานั่นแหละการปฏิบัติผิดต่อคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นการทาให้เราท่านทั้งหลายต้องมามีชีวิต ปวดอย่างในชั้นของคำสอนที่นางยักษิณนีสอนลูกนี่นแหละบอกว่าบอกแกลูกน้อยที่ร้องไห้ตอนที่พระเถระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมเนี่ยที่เธอก็ปลอบลูกบอกดูก่อนเนี่ยบอกว่าอย่าส่งเสียงเอ็ดอย่าส่งเสียงดังไปพระเถระกำลังกล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่ เพราะการที่เราไม่เข้าใจอัดหรือบทของพระธรรมนี่แหละชีวิตของเราจึงมาตกประการลาบากอยู่ในเพศปีศาจแบบเนี้เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันโทษแห่งการที่ไม่เครารพพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นี่แหละเราจึงมาอยู่ในเพศที่น่าเจ็บปวดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ได้ไงใช่ไหมก็มานั่งลําบากลําบนกันอยู่นี่ในการมีขันธ์พาราเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเนี้ เราต้องมาสแสวงหาบุญเนี่ยสแสวงเจริญกุศลกันเนี่ยอย่างยาวไกลเนี่ยตรงนี้ก็นั่นเป็นชาวพุทธของลังกาด้วยเลยข้างบนมีไทยบ้างเล็กผสมเล็กน้อยเมื่อมีคนถูกเขาถาม กรณีแห่งการที่ว่าสาวถีคืออะไรพระตะก a t จารย์ท่านบอกวัตถุเครื่องบริโคบริโภคที่พระท่านพูดเมื่อบนรถนั่นแหละเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนปัจจุบันถ้าปัจจุบันก็เป็นเมืองที่ไม่เจริญแล้วก็เหลือแต่อดีตความทรงจําในอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวไกลเท่านั้นเองในชั้นของหลักฐานต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราพูดกันตามโครงของประวัติศาสตร์หลักฐานค่อนข้างจะเลอะเลือนเยอะมากในะแถวนเนี้ยเนี่ยไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานได้ที่ชัดเจนรายละเอียดได้มากเท่าที่ควรซึ่งต่างกับในสถานที่ที่ว่าเชตวันที่ไรเนี่ยบริเวณรอบรอบนี่นะเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายนะจะพาเดินจากครูเมืองไปนู้นนะเพื่อจะเดินลัดลอดจากทางเนี้ย เ, เพื่อจะไปบ้านของา ของนางวิสาขามหาอุบาสิกาจากที่นี่ไปเออไม่ใช่บ้านนะไปที่วัดวัดปุปพารามเนี่แปลว่าอยู่ทางทิศไหนปุปพารามของวัดเชตวันเออในอะไรทิศตะวันออกนั่นแหละไปทางด้านเนี้จะเดินลัดไปก็ใช้เวลานานเหมือนกั น, กนแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็จะไปเล็กนิดเดียว ฮินดูนไปยึดครองไว้เนี่ยอขอยินดูไปยึดครองเขาไว้ไปเอาเสาของพระเจ้าโศกท่านทคือไปตัดเสาแต่งตกแต่งเสาเอาโศกกลายเป็นทำเป็นสัญลักษณ์ก็สืบวืลึงไ ป, ไปดูประวัติของนางวิสาขามหาบัสิกาตรงนั้นคือถ้าดูอย่างเรื่องราวของท่านอนาถาพินิกาเศรษฐี ที่ท่านเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่นเน่ยนะในพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมังเกิดในสกุลในสมัยพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระบังเกิดในตะกุลในหางสาวดีตอนนั้นท่านฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นเห็นพระศาสดาสถาปนาอุบาสกผู้หนึ่งในตําแหน่งเอตตทักคะาเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้ถวายทานจอเป็นทานาบดี ท่านก็อยากได้ฐานะนี้เราอยากได้ไหมอยากได้ฐานะเหมือนนางวิสาขาหรือฐานะเหมือนอุบาสกเออเหมือนกับกรณีนาถปิณิการเนี่ยท่านก็คือปกติเนี่ยในาศาสนาของพระชินพระเจ้าแต่ละองค์เนี่ยนะก็จะต้องมีอุบาสกประเภทนี้ต้องมีวัสิการประเภทนี้ที่ได้ฐานะที่เลิศใช่ไหมฐานะที่เลิศที่ได้รับสถาบันาอยู่ในตําแหน่งเอตักทักเอตัทักะเลิศกว่าอุบาสก ผู้ถวายทานทั้งหมดในศาสนาของพระชินเจ้าอย่างนั้นจะมีคนเดียวอันนี้การที่จะพัฒนาตนเองเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เลิ่ได้เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมมันจะต้องผ่านบุคคลค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูลองคัดดูระหว่างระหว่างผู้นําประเทศเนี่ยนะแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยกว่าที่จะเดินขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยชั้นใดตําแหน่งอุบาสกที่เข้าถึงพระรัตนตรยัยแล้วก็เป็น ปดุดังคู่บุญบา ร, รมีของพระเจ้าด้วยเนี่ยนะืยิ่งยากใหญ่เพราะเป็นตําแหน่งในฐานะที่เป็นภาริยบุคคลแล้วก็ต้องมาทํานุบํารุงราศาสนาในฐานะหัวหน้าอุบาสกหัวหน้าอุบาสกเลยเป็นเลิศเลยพระาศาสดาแต่งตั้งเป็นเลิศที่แต่งตั้งไม่ใช่แต่งตั้งด้วยพวกซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมเรารักใครชอบใครก็แต่งตั้งแต่พระาศาสดาจะแต่งตั้งโดยฐานะที่ท่านเหล่านั้นบําเพ็ญมา เหมือนท่านพระอัญญาโกนธัญญาเนี่ยได้บรรลุก่อนเพื่อนเนี่ยท่านบำเพ็ญมานะก็ได้เป็นรัตตันญูไปเลยเนะได้บรรลุก่อนเขาหมดนั่นท่านปาฐาณามานีไม่ใช่ปาฐาณาอย่างเดียวนะท่านสร้างเหตุปัจจัยมาด้วยอย่างเงี้ยเนอะถ้าภาษารีบุตรเนี่ยสังเกตดูไหมบวชที่หลังใช่ไหมได้บรรลุที่หลังแต่ภาษารีบุตรนั้นได้เป็นอักระสาวกเบื้องขวาเนี่ยก็อยู่ในฐานะเป็นพี่เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้น แลเราจะเห็นว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งนั้นมาจากการแรงแรงอธิษฐานบารมีธรรมและท่านก็ บ, บริเพญบารมีของท่านแล้วเมื่อบารมี น, น, นั้นเต็มบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วก็ได้ฐานะที่เลิศนั้นอนาถาพิณทิกะก็ในลักษณะอย่างนี้ให้สังเกต ด, ดูพระบรมศาสดาจะเทศนาโปรอนาถาก็แสดงในเรื่องของาาฐานะกถาศีลสัสาขะการมธัธนวะกถาเนคขามานิสังสกถาก็สรุปลงด้วย อริยสัจธรรมทั้ง4ี่คือทุกสมูทายนิโรธมากแล้วก็ท่านก็ได้บรรลุอย่างนี้เนะี่ยทาไมพระาศาสดาจึงแสดงเกี่ยวในเรื่องของทานเป็นส่วนใหญ่ให้ท่านเศรษฐีฟังเพราะเศรษฐีนั้นชอบบาเพ็ญทานบา ร, รมีบำเพญ็เพญมามากจริงๆเ่ยแม้ในชาติสุดท้ายที่มาเป็นอุบาสกในฐานะเป็นอุบาสกในศาสนาของพระเชษฐาเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกผู้ถวายทานเนะี่ยท่านก็ได้ฐานะนั้นด้วย กระทำกุศลที่ยิ่งยวดปรารถนาตําแหน่งนั้นท่านก็เวียนไหวตายเกิดในเทวดาและมนุษย์ในอยู่แสนกับดูเหการณ์ในที่ฐานมาอยู่มนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาในแสนกับในพุทธบาทนี้มาบังเกิดในเรือนของสุโมนเศรษฐีองค์สาวถีชนทั้งหลายตั้งชื่อท่านวสุทัตตะที่ว่าพระก็บอกมาบนรถนั่นแหละชื่อจริงของท่านชื่อสุทัตตะ ต่อมาก็ดำรงอยู่ในคารวะที่สายเป็นผู้ให้ทานเป็นทานะบดีทานะบดีนี่แปลว่าอะไรเนี่ยฮะผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ในการให้ใช่ไหอืมผู้เป็นใหญ่เหมือนประธานาธิบดีอ่ะเน่เป็นประธานาธิบดีอ่ะอันนี้อนาถาินทิกาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าประธานาธิบดีประธานาธิบดีมันได้มาด้วยอำนาจ แต่ว่าท่านนาถาเนี่ยได้มาโดยฐานะแห่งทานบา ร, รมีที่ตนเองบำเพ็ญมาฉะนั้นตําแหน่งลักษณะเนี้ยเป็นตําแหน่งที่ได้โดยคุณธรรมที่ท่านทํามาแต่ไม่ใช่ได้มาด้วยการมีพวกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมท่านเป็นใหญ่มากเป็นเลิศมากทํากุศลที่ยิ่งยวดมากแล้วท่านก็มาเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยนะเป็นฐานนบดีแล้วก็ชื่อว่านาถาปิณิกะ เป็นชื่อที่เขาได้ปรารถนาไว้นะเขาใช้เกวียน500เล่มเกวียนบรรทุกสินค้าไปยังเรือนของเศรษฐีที่เป็นสหายลักอยู่ในกรุงราชครื้ที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยอนาถาปีนิกาเศรษฐีเนี่ยสมัยนั้นน่ยท่านเป็นน้องเขยของราชครื้นะเศรษฐีราชครห้ะเศรษฐีที่เคยถวายกุติเออวิ่งเป็นเป็นกุติเล็กๆที่เวรวันหกสิบหลัง คั้งนั้นนาตาปินิกาก็ไปที่เมืองราชคฤือด้วยกรณีกิจยำบางอย่างก็คือไปทําการค้านี่ยนะราชครือหาเศสฐีนิมนพระสภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขฉันอาหาในวันรุ่งขึ้นก็สั่งให้ทานกรรมกรทั้งหลายเหล่านี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่หุงต้มข้าวแกงต่างๆช่วยกันจัดอาหารขณะนั้นนาตาปินิกาเสถียรคิดบอกว่าเมื่อเรามาค้าวก่อน เศรษฐีเนี่ยจัดทำทุรัทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสนทนาปลาัยกับเราผู้เดียวเท่านั้นแต่มาครั้งนี้เนี่ยนะท่าทีเปลี่ยนไปเนี่ยสั่งทาทกรรมกรบอกว่าให้ลุกขึ้นแต่เช้าหุงต้มข้าวปลาอาหารต่งตางๆจัดแจนแจงอาหารที่มีรสเลิศท่านก็สงสัยใช่ไหมจะมีงานอาวหามงคลวิวาหามงคลหรือประการใดเนี่ยหรืองานมหายันก็เลย ควรเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยันเศรษฐีสั่งทาดกรรมกรแล้วเข้าไปหาานาถาปินทิกาเศรษฐีนั่งสนทนานที่ควรส่วนข้างหนึ่งและอนาถาปินทิกะก็ถามว่าท่านคลังบดีคราวก่อนที่ฉันมาเนี่ยท่านจัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนาอยู่กับเราผู้เดียวเนี่ยบัด น, นี้ท่านมัวแต่สารวนสั่งทาดกรรมกรให้ลุกขึ้นแต่เช้า ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงจัดแจงอาหารที่มีรสอร่อยเป็นต้นเหล่านี้ท่านจะจัดงานอะไรงานอาวะหะวิวาหะหรือว่าจะทูลเชิญเสเด็จพระเจ้าพิมพิสารหรืออย่างไรเนี่ย น, นะราชกษัตเศรษฐีตอบว่าท่านเศรษฐีฉันฉันไม่ได้มีงานอาวะหะมงคล ว, ว, วิวาหะมงคลนะหรือเชทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาญแควนมรดกเนี่ยไม่ใช่เลยว่างี้ยแต่ว่าจะเชิญเสเด็จ ก็คือจักนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระบรมศาสดาเป็นประธานเพื่อถวายพัฒาหารนี่นะในวันพรุ่งนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านขึ้บดีกล่าวคาว่า พ, พุทธเจ้าดังนี้ย้าเลยเนะตกใจพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ย้อนถามเลยว่าท่านเศรษฐีเมื่อสักครู่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าใช่ไมอย่างนี้อย่างที่บอกว่า เอาไปไหว้พระพุทธเจ้ากันที่อินเดียแล้วฟังก็เฉยๆมั้ยไม่เห็นมีตก อ, อกตกใจอะไรเลยใช่มั้ยยมพระยมพ่อท่านอาทิตย์เจ อ, อ พ, รพระจันจิลากำยอมแม่พอพระลูกชายชวนบอกจะไปไหว้พระที่อินเดียแล้วตก อ, อกตกใจเลยวะ่ะฮะล้วปากเลยเลยโน่าเชื่นใจ พอมาแล้วเป็นอย่างที่คิดนหดีมากเลยเนะ่ ย, ย เ, เอยอย่างนี้ไหมเออถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่ามีอัจฉริยะใสเนะียมีอัจฉริยะใส ม, มันยอมมาเลยเนี่ยนะโอ้โหพระรุ่นไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งเลยเนะี่ยอาจารยิชัยรุ้นแล้วรุ่นอนะีกแต่ยิ่งอยากมาลูกไม่ให้แต่ตอนนี้มาได้แล้วตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าใช่ไหมไงถามยังไงเนีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าดังนี้ว่างั้นนะก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรืออย่างนี้เป็นต้นไปนพุทธะนี่หายากที่จะได้ในโลกนี้ท่านดูนี่ถามบอกว่าในโลกใบเนี้ยคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากทไมต้องบางๆลมหน่อคำว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยาก เอาทำไมจึงหาได้ยากนานนานไหมในโลกใบนี้พระบรมศาสดาจะมาเหยียบโลกใบนี้นานมากแล้วตอนนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยนับไหมว่ามีอีกเมื่อไหรจะมานับอายุอย่างนี้โยมร้อยปีลดปีหนึ่งร้อยปีลดปีหนึ่งร้ปีลดปีไปเรื่อยเนี่ยนะไปจนถึงสิบแล้วก็ขึ้นใหม่ร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีเนี่ยไปจนนับไม่ได้เลย ก็เป็นอสงไข่เลยอสงไข่ปีอุ๊ยยาวนา น, นแล้วค่อยๆลดลงมาใหม่มาอยู่ช่วงหมื่นปีหรือมาอยู่ช่วงช่วงแปด0 0ื่นปีพระศ า, าสดาจะมาอีกครั้งนานนักไม่รู้ถ้าเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยแล้วแต่ใครจะวางแผนกันเนี่ยพลาดคือพลาดตอนนี้ตอนนี้ทุกคนได้ได้สตาร์ทเท่าๆกันนะเนี่ย ได้ถายหน้ามาฟังทำเท่ากันเนี่ยแต่แล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวได้มากไดน้อยนะใช่ไหมมันอยู่ที่วัดกันแล้วว่าใครจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเราจะแค่ไหนอย่างไรเราเป็นหมโห่คนนั้นห่วงคนนี้ไม่ได้กังวลกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ใน่ยแนยไม่ได้หรอกถ้าพลาดเราพลาดคนเดียวจริงไหมยอมแม่แพลาดลาดคนเดียว ท่านมีชายก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้แล้วถ่าพลาดเนี่ยพระลูกชายก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ยังพอช่วยได้บอกทางได้กันอยู่แนะกันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าพลาดตูมก็พลาดเลยนี่เป็นยังไงชีวิตทุกชีวิตพระก็เหมือนกันถ้าพระพลาดก็ยาวเหมือนกันยาวในที่นี้แปลว่าโอกาสที่จะมาเดินทานศีลภาวนาก็แย่ yeah. ตรงนี้ก็ แต่ตอนนี้เราได้สถานะว่าได้มารู้ได้มาเห็นได้มาสักการะได้มาบูชาได้มานั่งที่พื้นแผ่นดินตรงนี้ได้มาฟังธรรมอันนี้เพื่อจะสร้างบรรยากาศให้เกิดอะไรเนี่ยเออให้มีอุปนิสัยปัจจัยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มานั่งฟังพระธรรมไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเรามานั่งหลับที่ตาใกล้ๆบ้านของนรานถาพิณิการเสด็ีง่วงแทบตายเลยเี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์ไม่ได้หรอกนะ แม้พระกขพูดอะไรก็ไม่รู้ลมก็เย็นไปเลยแต่เนี้ยอย่างนี้ก็เลยไม่ได้อะไรเลยบรรยากาศนี้ก็ได้ได้ตื่นเต้นไว้ได้มานั่งหลับอย่างนี้ยุ่งเลยเงี้ยใช่ไหก็ตั้งใจฟังพระธรรมและให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เดินกุศลเนี่ยยาวปัญหาของเราทุกวันมีอยู่ปัญหาเดียวนั่นแหละที่เราติดขัดกันอยู่เนี่ยเดินเดินกุศลได้ไม่ยาว ได้เป็นนิดเดียวก็ตกได้เป็นนิดเดียวก็ตกได้เป็นนิดเดียวก็ตกเนี่ยที่เราไม่ได้เป็นอนาาถาปินี้กาเศรษฐีก็เพราะอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นชัดเลยอัตยาศัยไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงใช่ไหมทีนี้ท่านได้ยินคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกท่านขึ้นมบัดีฉันสามารถจะเข้าไปเยี่ยมไปเฝ้าพราะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ได้ไหม ราชกษัตรษฐีก็บอกท่านคราวดีเวลานี้ยังไม่ควรที่จะเข้าเฝ้าพระศาสดานะไม่สมควรที่จะไปเข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรุ่งนี้ท่านจะได้เข้าเฝ้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหลังจากนั้นอนาถาบิติกาเศถียรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอบอกว่าพรุ่งนี้เราถึงจะได้ไปเฝ้าเมื่อคืนนี้มีใครตื่นเต้นขนาดนั้นไหมนอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้เราจะรีบลุกขึ้นมาจะรีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้า มีใครตื่นเต้นอย่างนี้ไหมเมื่มอไรจะได้นอนทักทีเมื่อไหรจะได้นอนทักทีเนี่ยนะห่วงเหลือเกินในเรื่องนอนเนี่ยนะมาฟาังทําก็ตาปืนลอยไปไหวแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกันเนี่ยเป็นเครื่องวัดเนี่ยสัตว์ทินซีแค่ไหนอย่างไรก็เอาไปตรวจสอบดูมันจะพอจะที่ว่าจะพอไปไหวไหมอนะไรอย่างเนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นเรื่องจริงๆนะเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังนเนี่ยท่านนอนไม่หลับเนี่ย ไอ้พวกเรานี่นอนไม่ตื่นเข้าไปนอนไม่ก็อ ย, อยากจะตื่นมันตรงกันข้าวกันหรือเปล่านุ้ก็ดูนะนอนไม่ค่อยหลับเลยกระวนกระวายไม่ใช่กระวนกระวายด้วยโทรศัพ์เนี่ยท่านใช้คําว่ามีพระบรมศาสดาเป็นบรามาพุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าเราจะเยี่ยมพระอารหันตสาส ม, มาสัมพุทธเจ้า <S <S พระองค์นั้นาเธอลุกขึ้นในกลางคืนสามครั้งเข้าใจว่าสว่างแล้วพวดก็ลุกขึ้น พูดก็ลุกขึ้นใจจดจ่อใช่ไหมลุกตลอดเลยจะลุกตลอดเลยใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมเอาเป็นไม่เป็นเป็นเหมือนกันสมัยก่อนๆเนี่ยโยมผู้หญิงนึกถึงโยมผู้ชายโยมผู้ชายนึกถึงโยมผู้หญิงอย่งก็นอนไม่หลับเหมือนกันเดี๋ยวก็สะดุ้งพดูพดพูดจะเป็นงนั้หรือเปล่าพราะเนี่ยเ่าโทษนั่นถึงได้เป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้ไม่ใช่ไหมเพราะเราเป็นมนุิกการผิดนคนที่เราควรรักกับไม่รัก อย่างผู้ได้เจ้าควรจะรักก็ไม่รักก็ไปรักใครก็ไม่รู้มันเจ็บปวดกันขนาดนี้จะมาเออเราไปรักใครก็ไม่รู้หน้าตาก็ไม่เห็นหน้าศรัทธาทรานผู้ได้เจ้าเลยจะมาไปรักได้เออประหลาดจริงพอเห็นป้าขึ้นมาพอมองหน้ามองตาโอ้ยชื่นใจอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างเงี้เนี่ยเพราะเราไม่รักพระศาสดาถ้าเรารักพระศาสดาอย่างนาถาพินที่ขาวเศรษฐีเราก็ได้เป็นตําแหน่งนี้ไปแล้ว ทีนี้ในขณนะนั้นก็คือว่าพอลุกขึ้นนะนะสามครั้งเข้าใจว่าสว่างเดินทางไปที่ประตูสีตะวันที่จริงในย่ก็คือว่าปฐมยามคือแสงสว่างเนี่ยปีติปราโมดปีติอเกิดขึ้นในในในในร่างกายของท่านเนี่ยแผ่ออกมาเลยนะจนไม่ต้องไฟส่องเลยนะ อันนี้แปลว่าปีติจริงเลยนะียังไม่เคยเกิดเลยนะ่ตั้งแต่บวชมายังไม่เคยได้แบบนี้เลยนะใครเคยได้ไหมในะนั่งนั่งอยู่เนี่ย <c oughs> ได้ปีติจะมีแสงเรืองรองออกมาจากกายได้นิยวไม่ธรรมดาแล้วในขณะนั้นก็คือว่าประตูปกติเนี่ยประตูที่บ้านของเศรษฐีเปิดอมนุษย์เปิดประตูให้ขณะที่เดินออกจากพระนครแสงสว่างก็มีแสงสว่างจากตัวเป็นไปตามดับแต่ในที่นี้ก็ตัดย่อมา ในรายละเอียดบางแห่งก็คือว่าแสงก็ออกมาเนี่ยนะออกมาในขณะนั้นก็คือเทวดาก็ถอดกอบประตูให้เลยเป็นต้นไป็นตาต่าแล้ท่านประตูก็เปิดเปิดไว้ออกมาแล้วก็ท่านก็ไปทีนี้ก็คือว่าอามนุษย์เปิดประตูให้ถามทมําไมว่าอามนุษย์เปิดประตูให้ทําไมก็เทวดารู้ว่าท่านเนี่ยจะไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วเป็นพระโสดาบันถ้าเรารู้ว่าใครจะไปเฝ้าพระาศาสดาเป็นพระโสดาบันเนี่ย จะอนุเคราะห์ไหมให้บรรลุบรรบาอยังได้เลยอใช่ไหมเอาสิจะรู้ว่าเนี่ยลองถามหน่อยใครพอจะบรรลุเป็นพระสสดาบาลให้นั่งบ่าเลยบรรลุบรร บ, บาทเราจะได้บุญเยอะหมโอ้ยได้อยู่บุญเยอะมากมีวาศกท่านหนึ่งก็แบกพระเถระเนี่ยที่นอนสลบเพราะรักษาสิกขาบทเนี่ยใช่ไหมรักษาสิกขาบทไม่ยอมละเมิดสิกขาบทของพระผู้มีพระเจ้าที่ไปนอนสลบอยู่ใต้ต้นมะม่วง ไม่ยอมจะหยิบเม็ดมะม่วงเอ่อผลมะม่วงกินเนะ่ยเพราะไม่มีใครประเคนเะนี่ยกูบาศกมาเจอก็เลยมาถามมาในส่วนจริงก็นั่นแหละคั้นน้ํามะม่วงกอกปากพระเถละาพื้นขึ้นมาก็ถามทําไมท่านไม่กินทําไมท่านไม่หยิบกินไม่หยิบมาเม็ดมะม่วงกินนะ่ยพระเทล่ก็บอกว่าไม่ได้ประเคนเะนี่ยบอกโอ้โหพระเถละเนี่ยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเนะืขนาดชีวิตจะตายยังยอมเลยะ ยอมสละชีวิตเนี่ยไม่เสียดายชีวิตเนี่ยแต่กลัวศีลของตนเองจะวิบัติจะขาดไปอ่างั้นน่ยอุบาสกก็เลยยกขึ้นบนบ่าก็แบกไปเนี่ยพระก็พิจารณาอยู่บนบ่ายเห็นไหมบอกท่านผู้นี้ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ปู่ตายายยายของเราเลยเนี่ยทําไมเขาดูแลเราขนาดนี้แบกเราขนาดนี้พิจารณาไปพิจารณาไปโอ้อศีล น, นี่เองที่เขาดูแลเราเนี่ยดูแลที่ศีล น, นี่เองกุศลศีลนี่เป็นเยี่ยมเน้ะเนี่ย พอพิจารณาอย่างนั้นก็โอ้โหใช่ไหมบอกกุศลศีลนี่เป็นเยี่ยมว่างั้นนะเนี่ยเขาราักษาศีลในสุดริงบรรลุพิจารณาปาโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิเมื่อวานนี้ที่บอกว่าท่านหยงเดิอเข้าไปท่านอาจารย์มีชายอธิบายมีโยมเขาติดใจบอกเออเดี๋ยวต้องขอฟังสรุปอีกครั้งหนึง่งพูดบนรถมันเร็วไป ว่าเออจเจริญทานกุศลศีลกุศลแล้วสรุปลงสู่วิปั ส, สนากุศลอย่างไงเดินเป็นไปตามลําดับอย่างไรอันนั้นก็เดี๋ยวให้ท่านไปเตรียมข้อมูลไว้ได้เวลาก็ให้ท่านแสดงเนี่ยต้องนั่งแสดงถ้านั่งบนรถจะคนหลับมันมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวพระจะได้เชื่กันมองว่าใครหลับบ้างอะไรไม่หลับบ้างใช่ไหมเดี๋ยวถ้างั้นก็ยจะไม่ค่อยเข้าใจถ้างั้นเนี่ยพระก็พูดไปที่ท่านแงนมองกลับมาข้างหลังท่านไม่ได้เห็นใครนะแน่ยมองพอเป็นอุบายแห่งการเทศเนี่ย แท้จริงไม่ได้เห็นหรอกแท้จริงเอามาตาดีกว่ามามองมาเห็นหลับกันั้งครึ่งใช่ไหมแต่บางท่านก็ตั้งใจฟังนั่นแหละตรงนั้นก็คือว่าพระองค์บอกว่าเธอลุกขึ้นในการคืนที่กล่าวได้แล้วเนี่ยอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ขณะเมื่อเดินออกไปนี่นะต่อมาแสงสว่างหายไปความมืดปรากฏแทนเพราะความกลัวหวาดเสียวในขนพองสยองกล้าวก็บังเกิดขึ้นกัเธอคิดจะกลับหน้าที่ตรงนั้นเน่ย ที่จริงเนี่ยพอเปิดประตูออกมาใช่ไหมพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยที่จะเดินออกนอกเมืองอะ่ะที่จะไปที่วัดเวรุวั น, นไปเหยียบศพเหยียบศพที่หนึ่งใช่ไหมแสงสว่างก็เริ่มจะใกล้หมดแล้วนี่ยศพที่สองพอศพที่สามพแสงสว่างก็หมดในหลักในหลักฐานว่ายอย่างนั้นเลยนะในหลักฐานว่ า, ยยาแต่ในนี้ไม่ได้กล่าวเข้าไว้ ก็แปลว่าแสงลดลงลถลงนะเขาก็ไม่มีเพราะไม่มีก็คิดอยากกลับเลยขนาดนั้นซีวายักษนะไม่ปรากฏล่างเลยได้ยินเสียงกล่าวคาถาได้ยินแต่เสียงโดยกล่าวคาถาดังนี้ว่าช้าง1000 0มา้าห0 0 0 0 0รถอัอดดม้าอัศดร1000 0สาวน้อยประดับต่างหูอีก1000 0ก็ยังไม่เท่าเสี่ยว46หแห่งการย่างเท้าไป91เลย อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยถ้ามาหาอาจารยมาอำนาจหรือว่าไงเสี้ยวที่สิบห่ะสิบหกครั้งสิบหกขนทจริงออกมาก็ไปเจอหลักฐานอยู่ที่หนึ่งนะในชั้นของดีกา16เนี่ยสองครั้งใช่หมหนึ่งเอาบุญของเนี่ยการที่ได้สาการะจากการมา1น0 0 0แช้างห0 0 0งแสนเบตเตอร์อะไรเนี่ยนะเอามาแยกใช่ไหมเออบุญขออภัยบุญของผู้ปฏิการย่างท้าแต่ละก้าวเนี่ย แต่ละก้าวไปเพื่อจะไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยบุญมหาศาลไงฉะนั้นที่เราเดินมาแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยบุญอย่างมหาศาลเดี่ยวเซี่ยวที่16ก็หมายความแบ่งออกนะแบ่งบุญออกเป็น16เซี่ยวเอาเซี่ยวที่สิมาแบ่งอีกข้างหนึ่ ง, งเซี่ยวของเซี่ยวที่16บหกเยเจอหลักฐานอย่างเงี้ยท่านหมหาอำนาจไปดูในมงคลบอกว่า16เซี่ยวสิขนดูดิเนเอามาผ่าไปเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อยจนสิครั้ง เป็นครั้งเซี่ยวที่สิบหเอาสิบหกเนี่ยสิของครั้งที่สิบหกหนที่บุญของจกักรพรรดิเนี่ยไม่เท่ากับเซี่ยวแก่การที่จะในการที่ย่างเท้าเพื่อไปเฝ้าเพื่อเจ้าโอ้โหก้าวกระถายานี้ตื่นเต้นไหมฉะนั้นทุกก้าวที่จะย่างเท้าก้าวไปเนี่ยวิถีจิตเกิดเยอะหมหลยหนึ่งนะกำลังยกเท้าไปเนี่ยรัดนิ้วมือหนึ่งอนะมากกว่าแสนโกดใช่ไหมวิถีจิตเกิดดับ ลองคิดดูดีกว่าจิตที่คิดจะย่างจะยกแล้วจะย่างไปแล้วจะเหยียบแต่ละก้าวแต่ละก้าวฉะนั้นคอยเราถ้ามันเกิดความกลัวนี่นะตั้งใจเกิดขนพองสยองก้าวก็ตั้งใจว่าเราจะไปเฝ้าพระศาสดาเจออุปสรรคเจอปัญหาใดๆก็จะไปเฝ้าพระศาสดาอย่างนี้นะหรือจะเกิดว่าขาจะพังอย่างโยมสุวรรณเนี่ยก็จะไปเฝ้าพระศาสดาทุกอย่างก้าวนี่นะอยากให้ปีติมันเหี่ยว ยัยสรัทธามันลดนะทุกก้าวที่ย่างไปเนี่ยเป็นบุญนักหนาแล้วที่ได้เหยียบไปเนี่ยเท้าเนี่ยมันขาดมานานแล้วในสังสารวัตรเนี่ยมันถลอกปอกเปิดมานานแล้วฉะนั้นนี้เราจะย่างเท้าในการที่จะไปก้าวเท้าไปเพื่อจะเป้าภาษาสดารคนบางคนเนี่ยหัวเ ข, าข่าขาเท้าเดินไม่ได้ใช่ไหมยังคานได้เขา่าแล้วลองดูอย่างเช่นพระโสนะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยที่เดินจงกรมของท่านเนี่ยเหมือนกับที่เชือดโค เลือดนองพื้นไปหมดเลยท่านก็เดินงั้นแหละพูดถึงขนาดว่าในพระศาสนานี่ภิกษุที่ชื่อว่าความเพียรเราก็หนึ่งในนั้นแต่ตอนนั้นท่านท้อเนี่ยแต่พระศาสดาก็ไปแสดงอุบายในการดีดพินสามสายให้ฟังว่าอย่างไหนจะตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นกรณีอห่างการที่จะบูชาพระศาสดาบูชาไปเถื่อเลือดจะไหลก็ไม่เป็นไรหรอกบูชาไปเป็นอุป ป, รปารามีไหมถ้าเลือดออกอะก็เราให้อวัยวะ เป็นทานแล้วถวายพระศาสดาพระศาสดานั้นบำเป็นทุกข์กาลักริยาหกปีในเหนื่อยกว่านี้เยอะไหมเยอะมากหาประมาณไม่ได้ในสังสารวัฏสร้างบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมาทบารมีสิบโอ้โหแทบไม่ต้องพูดกันเลยฉะนั้นเราจะบูชาความเพียรของพระศาสดาสักเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมพูดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรว่าไปทําจริงๆเป็นไงท่านก็พูดไปไม่เห็นท่านทําให้ดูเลยอย่างนี้ว่า ตรงนี้ก็คือว่าอย si. ่าถอยอย่าถอยนี่นะก้าวไปก้าวก้าวไปข้างหน้าเธอท่านข้ราชาบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเธอท่านข้าบดีเชิญท่านก้าวไปข้างหน้าเธออย่าถอยนะอย่ากลับเลยทันใดน่าเด่งความมืดหายไปแสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถาพินิกะขึ้นหาบดีนีความกลัวความผลพองสยองก้าวความหวาดเสียวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้สงบไปแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม แสงสว่างหายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะความมืดกับปรากฏอย่างนี้ความหวาดกลัวรูความขนพองสยองก้าก็เกิดขึ้นนีท่านก็ได้ยินเสียงคาถาบอกช้างหนึ่ง0สนมาหนึ่งแรถมาอัสดร1นึ0 0 0สนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรอีกหนึ่งแก็ยังไม่เท่าเซี้ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปเพื่อจะไปเป้าพระสัมมาสมพุทธเจ้าเชิญก้าวไปข้างหน้าเธอท่านก็นหนาบดี ก้าไปข้างหน้าเธอท่านก็โนบดีท่านก้าไปข้างหน้าเธออย่าถอยอย่ากลับเลยการถอยจะทําให้ท่านเสียหายจะทําให้ท่านวิบัตินะเพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งการที่ท่านจะได้ตัดสู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้เป็นพระโสดาบันในทํานองอย่างนั้นนะท่านเลยเวลาไม่ได้เป็นนะเนี่ยพวกเรามันล่วงเลยการมาเนี่ยถึงไม่ได้เป็นกันใช่ไหมเราไปปล่อยการการควรจะฟังทำก็ไม่ฟังทำการจะฟังทำได้ตั้งใจก็ดันไม่ตั้งใจเลยนะ เขาตั้งใจฟังทำจะให้รู้เรื่องเราก็หลับเสียอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราไปเสียโอกาสของเราใครเป็นคนปิดเราศรัทธาของเราไม่ถึงเองมันถึงปิดโอกาสเราอ่ะศรัทธาเราไม่ถึงต่อไปไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราก็เลยไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีสถูกให้คนเข้ามาดูอย่างนี้ใครก็อยากจะมาดูนะนาานาเนี่ยสถูกข้งหนาถากินทการเนี่ยเสียเงินสี่หหมื่นหกหมื่นเนี่ยก็จะมาดูสถูกเนี้ยมาดูผลบุญของท่านนั่นเองใช่ไหม เพื่อต้องการจะมาดูนั่นเองเอาอย่างสมมุติเราตายแล้วสร้างสถูปอย่างนี้ไม่มีใครไปหาเลยนะเนี่ยไม่มีหรอกจะลงทุนลงเลยนั่งรถนั่งลาวนี่ไหมมาตากแดดตากลมกันดูที่เนี่ยเพื่อจะมานั่งดูสถูปอาณาถาปิณฑิกาดูที่เนี่ยบ้านเราก็มีสถูปตั้งเยอะแยะไม่เห็นมีใครข้ามน้ําข้ามทะเลมาดูเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่อัศจรรย์บุญแต่นนี้น่าอัศจรรย์มากบุญของท่านอนาาถาปิณฑิกาเสด็จที่ ก็นา่าพอดีเนี่ยบุญท่านทรมาสัจจั์มากเดี๋ยวเวลาไปที่วัดเชตาวันก็จะรู้เนี่ยว่าท่านทำยังไงและกรณีเหตุาการที่บอกว่าแม้ครั้งที่สามความมืดก็หายปรากฏแก่ท่านอนาาฐานะสมัยนั้นนั่นแหละความขนพองสยองก้าวก็เกิดขึ้นมาต่อมาท่านก็สามารถสงบระ ง, งับได้ด้วยเสียงนั่นแหละที่บอกช้างหนึ่ง0สนม้าหนึ่ง0สนลดมา้าสะดอนสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสยังไม่เท่าถึงเซี่ยวที่16บหกเหตการ9้าเท้า เพื่อจะไปเฝ้าพระสามมาสมพุทธเจ้าเลยตอนนี้เอาไว้เป็นข้อคิดเวลาเราทอ้อนะเกิดความทอ้อเกิดความกลัวในการที่จะไม่กล้าไปเฝ้าพระศาสดาถ้าเกิดความทอ้อเกิดความกลัวเกิดความขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่นะก็เอาไว้เป็นหลักคิดในการที่บางทีมันเหนื่อยจริงๆนะอย่างถ้าวันพร่งนี้เนี่ยนะเออไม่ใช่วันท้ายเนะี่ย เราจะต้องเดินน่ะไกลามากนะไม่รู้ว่าใครจะเดินไหวว่าใส่รองเท้าได้นะไม่เป็นไรเพราะเราจะเดินลัดคูเมืองไปนึงไกลบอสมควรเลยเหนื่อยเลยแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านแล้วก็เดินลัดเข้าไปเพื่อจะไปปุกพารามไปวัดของนางวิสาขามหาอุบาสิกาตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวอย่าไว้ดูกันว่าจะแข็งแรงช่วงไหน ใครไม่เดินก็ก็ได้ใครไม่เดินก็ไปรออยู่โรงแรมแค่นั้นเองเพราะไม่มีรถไปได้เลยฮะเดินนะค่ะลองดูกันอย่าช่วงไหนมันสะดวกสะดวกแล้วก็อย่าให้โหดเกินไปเนี่ยถ้าเดินช่วงนี้จะไหวกันหรือเปล่าว่าจะไม่ไหวแต่ครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมาเดินช่วงนี้เลย เดินไปไปฉันเพ น, น, น, นที่วัดนู่นนวัดเชตวันนู่นนี่เราก็เดินเดินเดินไปก็ไปอาจจะไปทําบุญที่วัดนั่นเลยก็ไดนน้นี่นี่กี่โมงแล<ม>้วเออเดี๋ยวจะรีบสรุปแล้วทั้งใ น, นสวดมนต์กันหน่อยเราหยู่ได้ป่ะสมัยนั้นพระบรมศาสดาก็ลุกขึ้นจงกรมพระเจ้าลุกแต่เช้าไหมพระเจ้าเวลาเสด็จลุกแต่เช้าไหมลุกแต่เช้านาะ อากมาเป็นลูกเศษตื่นสายลุกจองกรมในที่แจ้งนะเวลาปัดจุตสมัยแห่งราตีทอดพระเนตรเห็นนาถาปินิกาเสถียรเดินมาแต่ไกลทําไมพระศาสดาจึงเห็นพระเจ้าไม่ต้องใช้อิทธิฤิ์เพราะพระเจ้ามองได้สิบหกิโลเมตรนะตาของพระศาสดาตาธรรมดาตาเนื้อเนี่ยมองได้สิบหกิโลเอ๊ะหนึ่งกิโลสิบหกกิโลเมตรเลยได้โยอดมองได้มะมองได้ยอด เนีตาผู้มีบุญอย่างเรามองได้ประมาณเท่าไหร่ถึงหนึ่งกิโลไมไม่ถึงแล้วนะเนี่ยนี่กระบ่งบอกถึงจากขูวิญญาณของเราเนั่นมาจากกุศลเป็นกุศลวิบากของเรานี่นะที่จากขูวิญญาณเออที่ที่จากขุประสาทของเราเนี่ ย, ญญ เ, ย, ป ย, เ, เ, ยเป็นผลของกุศลนี่นะจากขุประสาทของเรา เ, เป็นจากขุประสาทที่ไม่ใส่ไม่ใส่หรอกหลายๆท่านก็ไปผ่ามาหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยจากขูประสาทไม่ใสหรอกบางท่านก็มัวขุนมัว มองอะไรก็ไม่ชัดฟ้าๆมัวๆอะไรสารพัดเนี่ยสร้างใหม่เหตุปัจจัยตัวเนี้ยนะสร้างเหตุปัจจัยใหม่ให้แจ่มใสหน่อยนั่นแหละถ้าสร้างเดี๋ยวตอนขึ้นรถเนี่ยเดี๋ยวพระเมื่อวานนี้มั้งท่านจันกีรัท่านอ่านลักขนาดสูตรไม่ทันจบเลยอะมากำลังฟังนเพลินๆหยุดไปสักอีกแล้วเนี่ยพอดีมันกระทอนกระแทกเลยไม่ได้ต่อเลยไหมเพราะว่าเคยอ่านเคยอะไรมาก็ ไทยยิ่งฟังก็ยิ่งตื่นเต้นเนี่ยเพราะการฟังเนี่ยสะดวกกว่าการพูดคนที่พูดแล้วจะต้อ ง, องคิดใช่ไหมตนเองไม่ค่อยได้ตรึกเน่ยหลายๆอย่างเช่นอาจารย์มหาวาฒา์บอกเล่าให้มาฟังเนี่ยเวลบญญาบรรยายที่ไรไม่ค่อยได้เจริญบุญเท่าไหรเลยห <c oughs> ่วงเแต่คนฟังนช่ไหมห่วงแต่คนฟังแล้วใจก็เลยมัวกังวลว่าคนฟังจะเข้าใจไหมจะเข้าใจไหมบุญก็ไม่ค่อยเกิดคนฟังยิ่สบายเลยบุญดีแล้วเกินนั่งฟังใช่ไหม สัมคอันนี้ที่นั่งหลับไม่นับเนีเอานั่งฟังเนี่ยนั่งฟังหูตั้งใจเลยใช่ไหมฟังแล้วก็ไตร่ตรองตามไปไข้ควรตามไปพิจารณาตามไปพวกเราคนมีบุญหนึ่งมีพระแสดงให้ฟังไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากไปนั่งฟังแสนจะสบายใช่ไหมก็เหนื่อยเท่ากันอะไรเท่ากันแต่เราไม่ต้องพูดแต่เรามีโอกาสได้นั่งฟังเ่ย นั่นแหละเนี่ยคนมีบุญมากแต่เสียดายเรามักจะเวิปลิดในบุญนี่สิไม่พยายามทําปัจจุบันนาคาไม่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องมานั่งหลับซะนี่ไอ้ตรงเนี้ย น, นะต้องพยายามเกตว่าสถานที่นี้ไม่ควรมานั่งหลับใช่ไหมตอนนี้นะถาวรปินฑิกาเศรษฐีท่านเป็นเทวดาอยู่เนะ่ยท่านเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนนะดาวเดืองในชั้นไหนใครจำได้ไหมดูสิหรือดาวเดือง ที่พอท่านตายปุ๊บแล้วท่านก็นขึ้นไปชั้นไหนนะชัชั้นรขั่ตว่าท่านท่านต้งรเียวชั้นจะโตมเลยไม่ใช่นั่นเป็นพระเจ้าพิมพิสาร <st uttering> เออท่านลงมาพอหลังจากท่านตายปุ๊บเนี่ยท่านลงมาทันทีเลยกลางคืนนั้นแหละลงมาที่เชตวาวันเลยสังสว่างทัท่วเชตวาวันมาวิหารเลยแล้วเบสเซษท่านก็มาขับคาถา บูชาพระเจ้าพระธรรมแล้วก็ยกพระสงฆ์ยกย่องอในบรรดาพระสงฆ์ที่ลลรุ่งเรืองไเรืเกินภาษารีบุตรว่างั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็มากล่าวชื่นชมเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็แวบไปพระศาสดาก็ถามภิกษุตื่นขึ้ น, น ต, อออตอนเออพอตอนเชา้าเธอทราบไหมว่าเมื่อคืนนี้ใครมาบอกก็ไม่ทราบบอกนั่นแหละเจ้าของวัดมามากล่าวเช่นชมเชตวันน่ารื่นลมและเกินอย่มั้ยอันนี้เรามามาที่บ้านท่านเนี่ยท่านก็ต้องมานั่งดูเราเหมือนกันใช่ไหมเพราะท่านสามารถรู้ได้เนี่ย โอ้ทำไมบริษัทเดี๋ยวนี้ทำไมมานั่งหลับฟังทำไม่ได้ท่านจะนั่งเครียดไหมแบบนี้ยท่านจะนั่งเครียดเลยถ้ามาตั้งใจโอ้ยบริษัทอันนี้นี่แหละจะเป็นบริษัทที่เลิอดในอนาคตใช่ไหมไม่ใช่มานั่งหลับหลับตื่นตื่นไม่มีข้อมูลอาณาถาปีนี้กาเศรษฐีเป็นคนมีข้อมูลพระธรรมไหมมีข้อมูลพระธรรมไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะท่านมีข้อมูลแล้วท่านตั้งใจฟังทำไหมตั้งใจไม่ใช่แค่ยินดีในทานกุศลอย่างเดียวนะ ตั้งใจในการฟังวธรรมด้วยตอนนั้นพระบรมศาสดาก็ประทับนะเทนะนาถาพิณิกาเสถียร์คันแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมก็จะมีที่จงกรมอยู่นะพระเนี่ยพระาศาสดาก็จะมีคนทําที่ตรงกรมถวายพระาศาสดาเหนืออัสนะที่ปูราดไว้แล้วได้ตรัดกันนาถาพิณิกาเสถียรมาเถิดสุทัตตาทักทันทีเลยเย่ะไหมไม่ต้องมีมารายงานชื่ออย่ามาบางทีจําชื่อเคยไม่ได้ต้องถามที่ชื่ออะไรนะิยมไม่จําไม่ได้ แต่ถ้าไปหาพระาศาสดาต้องไปรายงานชื่อก่อนไหมไม่ต้องเลยแต่ตอนที่พระาศาสดาพริณิพานเนี่ยแต่และตระกูลเข้ากันไปตป็นตระกูลเนีเข้าไปเปเสร็จก็ตะโกนบอกเดีย๋ยไม่ใช่กราบถวายรายงานว่าตนเองตระกูลอะไรไปเสร็จก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายไปผ้าอนนก็เป็นคนจัดในกรณีให้คนเข้าเป้าพระาศาสดาให้เร็วนะทันใดนั้นเองอนาถาพิณิกะเบิกบานใจดีใจพระผู้พิภาคเจ้าเรียกชื่อเรา เรียกชื่อจริงด้วยใช่ไหมสุทัตตาเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าซพเสียนลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าพระประทับสํารานพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ประทับสํารานอยู่หรือนี่พระบรมศาสตราตรัสตอบด้วยคาถาบอกว่าพราหมณ์พราหมณ์ผู้ดับทุกขได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามไม่ติดอยู่ในวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะ ไม่มีกิเลสกรรมเป็นเครื่องนอนอยู่ในจิตใจมีจิตใจเย็นไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสุปธิไม่มีราคาโทสะโมหะไม่มีอภิสังขารูปธิไม่มีเจตนากรรมที่นำไปสู่การมาพบรูปภพและรูปภพเป็นต้นแล้วใช่ไหมไม่มีขันธูปธิต่อไปแต่ตถาคตเนี่ยมีสรีละเป็นที่สุดแล้วต่อไปตถาคตจะทิ้งสลีละไว้ในโลกใบนี้นะแล้วพระธาตุของเราจะเป็นาศาสดาของเธอ แต่ขันห้าของตถาคตจะแตกดับปรินิพานแล้ว<笑>พระาศาสดาไม่มีขันธูปทิธิไม่มีกิเลสุปไม่มีกาโมทปธิไม่มีติดวัตถุการมไม่มีอะไรพระองค์สลัดอุปทิได้หมดสิ้นแล้วใช่ไหมตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลมไม่ติดข้องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วละได้อย่างเด็ดขาดแล้วบรรเทาความกังวลก歪ใจถึงความสงบแห่งจิต เป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะเนี่ยลำดับนั้นพระ菩าสดาก็แสดงอนุปูพิกถาห้ายาวเลยนะแสดงทานกถาสีลกถาแล้วก็แสดงเรื่องสวรรค์กามาทีนะวัตกถาแสดงโคษของวัตถุก่าวของกิเลสกรรมเลยแตเนี้ยแสดงวัตกรรมนี่เป็นของร้อนเป็นหัวฝีเป็นลูกสอนอยังไงเลยนาเข้านาเข้าก็แั่แหละอย่างที่บอกว่าประดับช้างนะพอประดับช้างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยงดงามประดับ ทั้งตกแต่งงาด้วยตกแต่งงวงด้วยตกแต่งสรีละช้างให้สวยงามเบียดเสร็ก็ตัดงวงช้างทิ้งเลยเนี่ยนะพระาศาสดาก็ได้ทํานองอย่างนั้นนาะบอกเนี่ยผลของทานกุศลศีลกุศลเนี่ยนะโอ้ไปดีนะเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเบียดเสร็นะแต่เนี่ย <Yeah. S 1> วิบัติหมดนะเนี่ยมีตาหูจมูกเล่นกายใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะี่สรุปลงอริยาศาสตร์เลยทุกสมุทัยนิโรธมารลำดับนั้นนะ พอแสดงกามทั้งหลายและสะักการะอานิสงส์การออกจากการามขนาดนั้นพระองค์ก็ทราบว่าอนาถาปินิกาเนี่ยมีจิตใจอ่อนควรต่อนิวันลรทำก็ถูกลดระดับลงแล้วเนี่ยมีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสตั้งมั่นจึงประกาศพระธรรมเทศนานะอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เรียกสามุกกลางสิกาเทศนานี่นแหละแสดงทุกขสมุทยัยนิโรธมากะจบแค่นั้นแหละ อนาถาพินิการเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งพวงก็ได้มีการดับไปเป็นธรรมดานาถขึ้นหาบดีเนี่ยนั่งณนี่นาทนั้นแล้วเนะี่ยดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมวลทินนะ่ยเหมือนกับผ้าได้รับย้อมแล้วเป็นต้นอนาถาพินิกาเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะหมดความสงสัยในจิตใจตัดความสงสัยได้ขาดเป็นสมุดเฉ ท, ทประหารแล้วประกาศตนเองว่า ขอถึงพระรัตนไตรัยอย่างมั่นคงแล้วเนะี่ยท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อบายนะสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรากายทั้งหลายตอนนี้ท่านเป็นพระยบุคคลเห็น ไ, ไหมเข้าเป็นหนึ่งเดียวในพระรัตนไตรแล้วเนะีเป็นสังขรตัตนะเป็นแล้วอ้าถ้าอย่างนั้นเราสวดมนต์กันตรงนี้นะีโมทนามัคคเจตนา มรรคจิตผลจิตพระนิพพานที่ท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีได้ทําไว้แล้วก็ช่วยกันโมทนาบุญของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีที่ท่านทําไว้อย่างยาวไกลที่ยังมีจารึกไว้ในหลักฐานและก็ประวัสสติศาสต์อย่างยาวไกลท่านเป็นอุบาสกที่ยิ่งใหญ่นะในาศาสนาของพระชิณเจ้าของเราเอบนมมือสวดมนต์กันหน่อยที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณไม่ได้ ที่เสียสละสั่งสมบรรมีเพื่อประกาศธรรมนำเวณนยศัตว์ออกจากวัฏฏทุก ข, ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใส ย, ยิ่งขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายกระทำแล้วในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ต, ตรัสรู้ธรรมอย่างไรขอข้าพระเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์งงคในการอันควรด้วยเธิด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 มีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายามตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธสาา